สิกขาบทวิพัง519ร้าคำว่าอนหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอ น, นึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมัดาหรือทางบิดาตลอดเจ็ดชั่วคน ที่ชื่อว่าเครือหัดชายได้แก่บุรุษผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าเครือหัดหญิงได้แก่สตรีผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวรหกชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกับได้เป็นอย่างตําคำว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าภิสษุถูกชิงจีวรไปได้แก่จีวรของภิสูจน์ที่พระชา โจร น, นักเลงหรือคนบางพวกชิงไปที่ชื่อว่าจีวรสูญหายได้แก่จีวรของภิกษุถูกไฟไหมน้ำพัดหนูหรือปลวกกัดหรือที่ใช้สอยจนเก่าภิกษุออกปากขอนอกสมัยต้องอบัดทุกกฎเพราะพะยายามจีวรเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสกีอย่างนี้